แน่แน่งานเดียวที่สอบผ่ประสบการณ์ใหม่แห่งวงการอาหารให้นี่คนเห็นูเฟสิวัลก่อนสืสุอหลักแห่งอาหารที่มีนากเซและเชฟมากกว่า70็ดสิบคนดังที่บอกไปเลยว่าสุดๆอีโซนหลากหลายาต่างมากมายทั้งอาหาไทยแเทร่รวมทั้นครีบเรียนด้วยข อ, อย้ำนะครับแปดสิบเจ็ดเชฟนี้ที่นายเซน เ, นเนตแล้วคุณล่ะสอบผ่าประสบการณ์แห่งอาหารยังคร้าน